โลอันนี้กัเสียมกับเซียมออกจากถ้ำคอนเจลเร์่อนเจลเลอร์ขึ้นในถ้ำพระองค์เจ้าคันโบเซียมออกจากถ้ำพระองค์เก้าว่าแต่ว่าเซียมคอนเซียมออกจากถ้ำพระองค์เก้ามันก็บเซียมมัดทั้งวัตถุนิยมท่าอุดมพติพระอุดมพติเป็นหน้าหนาวของวัตถุนิยมด้วย คนกมีอุดมคติเนี่ยวัตถุนิยมสีมาตั้งนูนก็เป็นวัตถุนิยมที่เดือดร้อนแต่มาในสร้างซีบอชอบวัตถุนิยมอบายยมุขวันนี้วัตถุ น, ยนิยมผิดไห่บรร ญ, ญัติผิดอบายยมุขบรรยัติของคิบหายาเป็นของเสริมที่จัดเป็นวัตถุนิยมยังจัดบา่าไร วัตถุนิยมมันต้องได้มากในทั้งที่ชอบบคัดของต่วพรพุทธศาสนาจึงจัดเป็นวัตถุนิยมได้ซิ่งฟีกิฟหายล้วนๆแล้วมีสารอุทรสิีว่าจัดเป็นวัตถุนิยมมันก็พข้ปั้นปวกออกมันพ้าปันแมงเมาบิยนข้าของไส้นะี่ยจัดเป็นวัตถุนิยม เหตุและผลของเหตุกรรมและผลของกรรมพืชและผลของพืชมักและผลของมักมักคนเป็นท่าัาซาบาลีมั่นเป็นขั้กลาง น้าไปแล้วขอปฏิบัติท่านปฏิบัติไปทา้งดีมันก็ได้รับผลดีท่านปฏิบัติไปทั้งชั่วมันก็ได้รับผลชั่วเหตุก็ขึ้กันท่านเหตุไปทั้งดีก็ได้รับผลดีท่าเหตุไปทั้งชั่วก็ได้รับผลชั่วผกขึ้นกันเป็นคํามกางพืชไปทั้งดีก็ได้รับผลดีเคื่อพืชเครือเขาห่อ่ะ พืชมันขมไปปลูกมันกระขมคือเก่ามันะพืชของต้นตาลไปปลูาไปปลูกฝนรับของมันมันกัต้องหวานห้าสิบไปเอานำมากันมากรองมา ก, กินอะไรพืชของมันเพชรฝนของมันกับเพชรทับปิก เพื่อของมันห่อนผลของมันก็ห่อนคือไฟคือแดดมันเป็นธาตุไฟเพื่อของมันเป็นของแข็งมันงกระจัดเขาในธาตุดินเพื่อมันเป็นของเหลวมั่งกระจัดเขาในธาตุน้ามันกระเหลวเพื่อของพัดไปม้ามั่งกระชัดเขาในทางุธาตุร่มเพื่อไปทางบุญกระจัดเขาในบุญ ก็ชิงทิ้งไม่ประโยชน์ชิงทิ้งว่าเป็นโทษเพิ่มรึ ไ, ปไปทั้งบาปประจัดเขาทั้งบาปเมื่อสร้างกรรมเพิดเนือเหตุคือกันเหตุไปทั้งบาปพ้นกัไปทั้งบาปเหตุไปทั้งดีพ้นกัไปทั้งดีเหตุไปทั้งชั่วพ้นก็ไปทั้งชั่วทางเหตุกรรมเพิดลงแล้ว ผลของเหตุผลของกรรมผลของปืดผลของมักว่อปารถนาอะไรครับตามส่วนก้นการของเหตุของปืดของมักที่ทาเกิดเหตุที่มืนตาผลก่อมืนตาเหตุที่เห็นหวงผลก่อเห็นหวงเหตุที่รับตาผลก่อรับตา เหตุจมืดผลก็มืดเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็บม่เข้าใจเมื่อยู่ห่างกันพ่อเก่ากํานิดใครก่อนั่นคือหนึ่งเรา ใจเราเป็นผู้กอ่อขึ้นต้องซื่อยังนี่คือโรคคีบก่อในกำเนิดใครกอร่อไปคิดใจเลยผู้กอ่อขึ้ก่อขึ้นก่ข อ, ข, ข, อขึ้นทั้งอีกเป็นวัตถีก่ขอขึ้นทั้งชัวเป็นวัตถุ่ัวหรือพัทธเศสก็พอได้พัทเศสเปน ตาหูจะโมเรียนกายมันกับปอไปคนต่ายมันตามันกับปอบยหูหูก็บปอบยิ่งเนี่ยคนเป็นนีะมันจังได้ยิ่งอยู่มันคบเครืองมันเพราะมันมีเวรย่าอยู่มันมีใจคกข้องอยู่กัวข้าวมีใจค่อยรับเหตุผลอยู่ใจโบวียว้ยังไงล่ะก็ไม่ใช่จะค่อยรับเหตุผลแล้ว นอกจากคือถอนใหม่ถอนฟื้นนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วใหยใจใจเท่านั้นทําดีทําชั่วใหยใจคนอยู่ใกล้คิดนําภัยมาให้ก็คือใจใจมีคุณเป็นวิหารแต่ก็มีโทษเป็นอ น, นั น, นนะต์ขันธ์ธรรมวิชัยคุณได้รับโทษถ้ามันเท่เนี่ยมันคุณได้รับ เทอได้เทอะใจพูดไรเป็นพูดเอาอยู่นี่คือใจไม่ไม่ใจก็บอกว่าไอ้ใจเกิดดับเป็นบ่ใจเกิดดับเป็นขึ้นกดดนนันถ้ามันสั่นสูนึกขึ้นมาเนี่ยก็ล่องไปนึกขิ้ว่าเนี่ยก็ล่องไปเกิดดับแล้วก็มูส่องหรือว่าติ๊กตอกันจะเป็นพืชกัน ในท่านสันเจีงบัญญตัตว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานว่ามันใจใจว่าไม่นิพพา น, ร, ร, น, านรูปคือดีานา้ำแพร่ร่วมช่วงกันเป็นกายจากว่ารูปจิตคือเวทนาสัญญาสัางการเวียนญาณนิพพานเป็นแกงกิตวิยนญาณใส่แท่งก็จิตก็มี มานัทใส่แทนมาจิตก็บมี่เป็นภาษาบะรีมโนุใส่แทนมาจิตก็บมี่เป็นภาษาบะรีจิบ ต, ตังทันตังสุขาหางจิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุกมาให้เมื่อนำสุขมาให้จิตจิตที่ไม่ฝึกฝนก็ตรงกันข้ามก็นำทุกมาให้จิตพระพิฆามพระเจ้ญญาวันรัตลูกจิตเ จ, จตสิกนิพาน นิพพานไม่แค่จิตจิตไม่ใช่นิพพานถ้าทำถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่นิพพานถ้าทำผิดก็ตรงกันข้ามจิตจิตเป็นนายกเป็นนายกทำดีทำซัวจิตก็ดกีเป็นย่านก็ดีเป็นนายกทำดีทำซัวเป็นย่านกาด็ดกีจิตก็ดีเป็นพืช วิญญาณห้างุขทุกโสมนัสโทมนัสอุเบขาวิญ ญ, ญาณท่านี้ในพระอภิธรรมแยกออกเป็นประเภทหนึง่งตัาหาจากพระดววิญญาณได้แยกเป็นประเภทน้อยออกไปเป็นกุศลนิบากหนึ่งอกุศลนิบากหนึ่งเรียบเทวิปัญจวิญญาณสงเครฆ์เข้าในจำพวกอเหกตุกจิตคือจิตอันนี้ใช่เหตุ ส่วนในพระสู ต, ตรวมเข้ามาโนวิญญาณเป็นวิญญาณหกเกิดดับเป็น น, นั้นคันวิญญาณังวิญญาณนะปัจตายาวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็อนดับไปนะนั้นที่นั่นเองนามรูปปังนามรูปปัจจยาสรายตนะังสรายัตระปัจจายาลายตระก็ดับไปนะั่นที่นั่นเอง พัดโสพัษาพัดเจริสัมผัสก็เหมือนกันเมื่อสัมผัสดับไปแล้วเวทนาสามก็ดีเวทนาหกก็ดีก็ดับไปแล้วที่นัน่นเองเวทนาดับไปแล้วตัญหาความทะเยอทะานในเวทนาก็ดับไปแล้วที่นัน่นเองเมื่อปัญหาดับไปแล้ว ปัญหาคืออะไรการมาตฐานภาวะตฐานวิภาวะตฐาเมื่อตหานดับไปแล้วพบก็ดับไปแล้วเช่นั้นเองพบคืออะไรการมพบรูปประพบอรูปประพบเมื่อพบดับไปแล้วชาติความเกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่ด้เกิดพุ่ขึ้นสลาพุ่งะเกิดในคันอันนั้นชาติเกิดในไข่สังเสสะชาติเกิดในเท่าไข่อุปภวาจะเกิดพุดขึ้นก็ดับไปแล้วเช่นั้นเอง พบชาติชราวันะโสภณเถรโกโจกโวนละอุปายาตเป็นว่าความทุกทั้งปูด <them. S 1> ับด้วยประการอย่างนี้ธรรมสั่นหลุดที่รุดของพระพุทธศาสนาเข้าพูดตามเห็นทีมันเดินทางไม่มีเห็นทีลงชิดตายขามทะเลไม่มีเห็นทีบ่าถือฟัง ขึ้นเครื่องวินแล้วมีแขนแทนทีส้นผู้เขาตายเดี๋ยวก็นสนามันมืด อ, อีกลงมาถึงสนามเขาลงทิศทิศย่ายย่ามีอยู่สามทิศ ทิดโลกทิศโกดทิตหลงซัดทั้ท ง, ททงหลายลงอยู่เสมอโตขึ้นกันเพิ่นขึ้นกันแม่งดาแม่งดาหนึ่งคือสิริเกาะอยู่ในโลกเกาะอยู่ในโกดเกาะอยู่ในหลงแอบกินอยู่ในโลกโกดหลง พระเจ้ไปเพ่งเมี่ยงดาที่ทังภายนอกได้ซองครับพนไฟๆก็เป็นเมียงดาตายผุ้คนมันพัพคิดกันจะหน่อยจะไงคิดกันท่านคิ่กันหยาบละเอียดเพราะพหะเาันพนทุกข์เป็นเมียงดาเมด็ดาะโรคก็ท้องสารก็โรคก็โกดก็ร้องกินอยู่นี่เออเว่นยกเว่นแตจซูปเปอร์ชิปาโน่เป็นตัวไปซัก น, นับมื่นจัตุรัสทูปเจตปนพระสดาวันนับวันจัตุระสนับวันจัตุรความหลงตํำกว่านั่นลงมายังไม่นับเข้าบัญชีก็มีรายบางทีบอกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่พระโสดาวันดวงตาปัญญาเห็นอ น, นิจจังชัดด้วย เสียบาปและพ้นของบาปด้วยเสีอบุญและพ้นของบุญด้วยเสีอพระพุทธศาสนาเพาะม่มีคนสงสัยสักย่าทิฏฐิไม่ซื้อตนที่ตัวในพระพุทธศาสนาไิจี๊จิตฉาไม่ดังเลในพระพุทธศาสนาศีละพัตปรามาไม่ลูกคลำพระพุทธศาสนาเลยไม่สงสัยว่าจะแวะ เราสงสัยว่าเสกสายแว่แวขัวเราสงสัยว่ารัติอืน่นสิดีพระพุทธศาสนาเราสงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนาเนี่ไปเป็นไปทางอื่นรู้ชัดแจ้งว่าสังขัมสอนพระพุทธศาสนาเนี่มีมนุษย์สมวัติเป็นต้นมีสวรรค์สมวัติเป็นที่สองเริ่ับไป สวรรค์สมบัติละเอียดก็คือผลมนุษย์สมบัติพุ่มสมบัติก็คือผลมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติก็คือผลมนุษย์สมบัติเป็นระดับไปว่าเมื่อสีวสวรรค์เป็นผลของมนุษย์สมบัติก็ถือสีว่าพุ่มสมบัติ เป็นผลของสวรรค์สมบัติก็ทูกศีวานี่พลานสมบัติก็คือผลสมบัติของพ่อมาโลกก็ทุกไม่ไปทั้งถือไม่มานี้ส่วนไปทั้งพิษรัตเตชาญเป็นอสุรกายสันนรกก็เป็นเรื่องหนึง่งค้นห้าวจะตายเป็นขุนข้นเมื่อสนใจ แม่อนาคตบอสสนใจสร้างสิไฟมั้งคับว่าถือเอข้าไปเที่ยวในทิศตันตกแต้เข้าเป็นผู้น้อยโยนหนึ่งเที่ยวหาคู่บาอาจารย์ขันที่สอเที่ยวบังเลิกบังสถานทีกูเท่ามาแล้ว อันนีเก็บซีบแปดซี บ, บกด็ดีกูจะเก็บตัวตายวันไหนเอาะมาสั่นฉัชวนเก็บตัวตายในพระวาระอะไรพระสงสัยมันจะสันทีภายนอกอะต้องหมายไรกันกูจะเก็บตัวตายที่ไหนเนาาสั่นวนตายข้าพาวาาวาพระพระธรรมสงฆ์ อ, อรงไรพสงสอกอะมันสิเปดเที่ยวเบื้องบ้เมืองเล น, นซื้อมีเรื่องสำเนียกพิเศษตั้งหางไว้ พระโพธเจ้าวนี่มนุษย์สมัติวรรษสมัติพ่มสมัตินิพพานสมัติจะพุ่มแล้วมนุษย์ทบัตรคืออย่างคืออบายมุกทุกภพพิษเป็นมนุษย์ที่บัตินักเรียนหญิงนักเรียนสุลานักเรียนเรีนการพนันก็คนชั่วเป็นมิจฉาชั่นทำงานมีโทษหกมนุษย์ทีบัติได้ทันทีถ้าสิว่ามนุษย์สมัติน่ะเข้ากับบรญัติพิษน่ย พระพุทธเจ้าบรรยัติถือก็ได้พระบรรยัติทั้งเชื่อมทั้งเจริญถือก็มนี้พระพุทธเจ้า อ, องค์เดียวท่านจาพวกเดียวท่านเนื้อทั้นอันจะออกมาเ อ, อย่ยเลวยชิงที่เป็นโทษตรงๆว่าเป็นคุนแค่ไหนคือเรากินเป็นระยะระยะมันก็เป็นหยังดอกมาท่นมันก็เชื้อซับเป็นระยะก็กรารทะเลาะวิวาดเป็นระยะ เป็นโลกเป็นระยะต้องที่เตียเป็นระยะไม่มรูจัอายเป็นระยะท่านกาลังเป็นระยะนี่เนี่ยอะเนี่ยพระพุทธเจ้าประคบไว ม, มีนี่ดบแกมั้ล่ะพระพุทธ เ, เจ้าเรี่ว่าสัตังสรพยัญชนะเกวัาภรีพุนนั่ ง, รรนนร ง, รงพระนิูรณนทั้งอัฏะทั้งพยัญชนะสิ้นเชิงแลว จำหางพระกาลจังเลยูุที่ยาพิทามหามกระกาลจังศีลษาเหนือมิจึงยอมกราบไหว้ะมหางทำบางสั ก, กครั้งก็เหมือนกันไ ม, กแบบไม่ได้กราบหว้อย่างโง่ๆไม่ได้หลงกลเห็นชัดด้วยปัญญาอันชอบในท่นานศรัทธาเบื้องต้นแล้วศรัทธาตั้งมันแล้วยังประโยชน์ให้สมฤทธิ มิเยทุกขามัจเจติคนร่วงทุกได้พระความเพียรมีหมายความว่าเพียรละชั่วทำดีความสำชั่มเลสกับความพยายามจริงอยู่พยายามท่ามซัวกับชั่มเลสคือกันแต่ให้ผลต่างกันเห็นสันพระพุทธเจ้าจึงหลอกขอบในความเพียรเพียรละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายขอเพียรทีประการ เพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสั้นนานคนข้อสองประหารประธานเพีย้ยนบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประธานเพี้ยนทีกุศลเกิดขึ้นในสั้นนานสี่อนุรักษ์คณะประธานเพี้ยนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสริมความเพี้ยนสี่อย่างที่เป็นความเป็นชอบคนประกอบให้มีในตนย่อนความเพียนลงมาเป็นสองซักเพื่อให้เข้าใจง่ายเพียนในชว่วยทําดีเป็นคําสอนของพุธทธเจ้าทั้งหลาย ย่นทุกสมุทยัยนิโรดมักออ ม, มาเป็นสองซะทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมากมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธทุกเป็นของควรทำให้แก่สมุทัยเป็นของควร ล, ละมักเป็นของควรเจริญนิโรธเป็นของควรทาให้แก่ ทุ ก, กับชาเมืองไทยเป็นฝ่ายบาปมักกับนิโรธเป็นฝ่ายเจริญอยู่ต้งมาเป็นสองสีนหา้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือ่อก้าเกียวเนี่ยอยู่ที่รองไก่ภูมิพระสวสดาบัน ว่าแช่ดายดวงระมือถินหาว่าแช่ดายดวงระมิดอวายยมุกว่าแช่าาาดายจะถือศาสดาอื่นว่าแช่ดายอยากจองเว้นผู้ใดว่าแช่ดายอยากถือเลิกี่ย่ามดีอยู่ย้งคงกับพันเหนียวยางนั้นคงยางนี่เมื่อแต่ว่าว่าแช่ดายถือเลิกี่ย่านดีเลิกได้ดีมัด ว่าเสียดายถือมันจมมันฟู่เห็ว่ามันจุ่มมันดีเสนผู้เขาเป็นเศรษฐีเขาผูเห็นจมเห็นว่ามันมันดีเส้นมู้เขาผู้เห็นเป็นเศรษฐีคือเขาถ้ว่าดีปีใหม่ได้กายจิตายก็ปีกายนี่แม่นบอ อ น, นั้นเป็นคำไว้ใชให้พรกันขันมิคิดเม่ตายอย่างนี้เป็น ว, า, วาจาไพเราะเพราะพิ้งอิงธรรม ะ, ะเป็นธรรมเนียมมนุษย์ต่อหายพรกันอั่างซี้คืออะไรเพืนน่อจูงใจกันห้าตํา ม, มึงผีตํา ม, มึงกันว่าม่นเนี่สิวา่าไอ้มึงตายใช่ไหมก็บว่ามันเนี่สิวา่ามิต่วา่าก็ให้ยุติมิแห้มิตรจะอวยใส้ใหายพรกันไว้ฝานั้นแต่ยังโมได้รับสุขอยู่ ตัวมีจะพาตับมึงผีตับมึงอะไรอย่งสิีไปให้คนนั้นเมียนบอกพระพุทธศาสนาสอนอย่างีว่าจ่าไพ่ละเป็นไพ่ละพอพิงอิงธรรมะไพ่ละละความกวดโท่อโสร์เสมอนี่คุณป้าคุณลุงคุณหนู คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันมีอยู่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าอายุวันโน้สุขังพลังของพระมันไม่อยู่อเราได้เอาไปใส่เราอต่นี้มีพระพุทธศาสนแส้สร้งยโลกเสียงปืนนี่บัสนบัสนาสิฟังว่ะเสียงปืนกับเสียงตายกันเดียวกันถ้ะรันไปใส่เอาตายรอดว่ตายกันยังหน่อยอ่ะว่าจะมนตื่ แม่ว่มีดอกองปืนคงมีคองผ้ากับ่เมอือ่้าวบ่เสื้อห้าวทำหมกขนาคกับตายยันข้อนเขานะ่ะห้าบ่เสื้อจักเตียนของมึงนี่จักเป็นอย่างห้าวมึงคนบอกเอกไปน่าไม่เสื่อเนี่ยใช้จิกงเวนคนข้องผ้าจักเตียนทางเว้นไงจังไงมันก็ะไรเองสัง่งเราเห็นพระ บริษัยมพืนึงแสดงตนเป็นตปะปะเขาจะศาสตร์กรอนๆไปไม่คนเท่าไปไปซักไหม่คนเท่าไปซักไหม่คนเท่าไปกรหอดน้องนาวกลางดงบนนึงนามันแหงมัดแ้วซักไปมันไปถือกบพงที้ค่ะเนี่ยไม่เท่าเล่าอะกบพงเราตายข้าหูอ้อนเพ่เาก็ะกไปกับบังคัักว่าซักกั ยุ่งว่ยุ่ว่ามาหอดศาสนาพระพุทธเจ้าของขา้าวลยนมาบวชเดินยังกรมยุ่งไก่หว้งทางนี่กอกใหม่เป็นเที่วแถวอยู่กอกใหม่พระมเนี่ยคือเขาไปไล่เนื้อมาเขาไก่จากเขาบ้านพุ้งหอกเขารับเข็นขบขึ้นภูเขามันไม่มาเจา้าพนเหรอเฮ้ยหอกสัตว์เจ้าวันนี้เนี่ยไก่จากเขาบ้านเนี่ยเขาก็ซัดหอกเขามาถือพน่นเดินยังกรมยู่ง่ เพิ่นจะกลุมถอดหอกออกเพื่นานไปข้านมาเดินตะกลุมพี่น่ากลองทุกเพร่อนในสเาเร็จพระนารูยณ่มากข้อมาบทั้งพระุพธิเจา้าว่าวเตุว่าสมผลน่าั่นเกิดเกินสมผลแล้ว่าท่า น, น, นพระองค์เก้าพันวาแต่ขัดกรธ อ, อ, อสักไม่เท่าเธอเป็นคนถือศีลนะท่ น, นไปถือกบนะท่านโดยว่าไม่เกตเ้าหน้า่น ก็ได้ตายข้าวฮู้ฮันไม่เท่าเราถอดไปเราก็บ้องหงาตัววะท่นบัดนาบาด น, นี้ครับเขาก็ะชัดบอกว่าโมไม่เกีจแต่หน้าเนี่ยเขาบัถือเล่าอะ่านมันก็ไม่เห็นจะผลประดันแล้ววะั่านเกิดว่าโยมซุ้มห น, นึ่ง ไ, ไปรักษาศีลด้วยเมื่องสาวัสถีอยู่วัดปลาวัดปาลาได้เมืองสาวัดถี ในจากบ้านหารน่อยขาทะนู่ขาทนู่นึงสี่ศอกมันก็เป็ น, นยี่ชิพหาเศนเนี่ยแต่ถักับกิลโลนึงวัดปนะ่าอ่ะ้าท้าเป็นที่สางถวายชี้ชโกรกระเป๋าเดียวเขาจะไปดูถูกข้าวเจ้ า, าสางสางวัดชนะี้ชิพหาโกรธโกรธโกรธ้นอีรได้ดังจริง มนันกระดาษคือเห้าเนี่ยซีจิโกดซีบล่านยังเป็นโกดเอาซีบไปคู้นซีจิพาวด้วยซี้าห้าซสี่สี่บสี่้าีรอยห้าบานกระเป๋าเดียวมูอเทามันไฟสางวัดางว่ากระเป๋าเดียวซีจิซร้อยหาบานเนี่ยในยุคเทานี้บุคคยนี้ินี่ยมีแต่แพ้แต่ขอการตายอย่างเนี้ย ยุทธาพิเสกกระนัน้นายรูปขายเหรียนกระปั้นเอ่อนางปกพระพุทธรูปหูพระเกียรตกระปั้นขายพระายเหรียนกระปั้นนั่นะแลเสมอเนี่ยประมาทบอกทางสกเกลเพิ่นกพัฒนาเพิ่นถึงพระสรดวันสักข้าค่าเมี้น้าคาม่เคยกันพวกโน่เต้องใชประมาทบอกข้าพุทธการแล้าอันนี้บอกอันนี้ต่อไปอีก เมื่อสามวันที่สมไวัดป่ายนี่ยมือเว่นมาโอ้อยเนี่มือแรกมาก ร, รักษาศิลนรรมกันอยู่บาดเนีมือเช้ามาเขารักเอาไปขาหัดข้อไปขายลูกขางวัดโอ้ยเหตุบวสมผลนี่เวรสนพระพุทธเจ้าของเฮากระยังอยู่นี่กระมำบกขังทุกเม็ดเวรสนมือขึ้นนี่การรักษาศิลปภาวนานรรมกันอยู่นี่ น, น, นี่เว ร, ร่น หมั่กันเป็นแฉว์แฉว์มันพระพุทธเจ้าเลยลงไปมุ่งตัวเอาเล้ยงกันนะก็เลี้ยงเขาปลูกข้อนั่นเองล้ขน่อยเขาเอาไปขาเนี่ไฟหงมเงอเหตุสมผลได้แทนนรักษาสีน้องกันววนี่ว่าท่นมั่นกับเหตุสมผลตัวย่มเมืยว่าั่นซาดนั่นนึ่งซาดนั่นนึงซาดนั่น น, น, น, นึกูขามึงมึงขากูมาแล้วแต่แสนซาดนี่พวกนี่ว่าท่นมันก็เกินเหตุสมผลนี่ว่าท่นพระพุทธเจ้าคนละหัวของท่านเลยมัดเสียง หน้าผัวหนึงขึ้นกันลูกตายแล่ว่าจฝังไมจะไปเผาไปฝังอุ้มลูกพิประฐานจะชินเอาข้าเมเอยมาห่อนห อ, นหอนพระ อ, องค์เจ้าพระ อ, องค์เจ้าไลยเข้าไปตัวห้องไหย้ยั้งกรเทยมหน้าะันโอ้ยคนยยยย น, อ น, งงอน่อ ย, ว, อย ว, อว่าจะเผาจะฝังนะ่านตัวจะไปห้องให้ยั้งหน้าเอ้ยพระสันไปไห้ให้ยังตัวจะไปอุ้มมันเอาข้ามเอ้ยฮันพระัน ที่เผากับเผาทีฟังกับฝังซาสันลูกโตเลยมาตายเย้พี่ระาเนี่ยแสนศาสตร์ับศาสตรนี่แล้ววี่สันแม่โตห้องโตกับเป็นแห้งมากก็กับซ้่าเดียวกันลยห้องต่ถากดกับอันเดียวกันทละเอาสันายก็แน่นไปอีกซ่ําพนันนั่งเลยค่ายควมอะไรบ า, างแล้วก็ผเผากระฝังง น, นบ่เสื้อพระพุธศาสนะะไปเสือเ้ออย่งเออ ไปเชื่อเลขมแต่ท่นเสียหายไี่นบไปเชื่อเลขข่อยใหม่ีเนใหม่สนที่ดินั้นว่าใหม่่านเนาะข่อยใหม่เลยไปพัที่ดินเรียบวุดิทานเนนี่นพอ่อยแม่ปานไงเขาาย่งสวยหันสวยนี้เออไปยืมเงี้ยท่อคอสอท่อคอสอมากอ่ะจริงมันนาข้านว่าเนี่ย หามาได้แล้วจะไปส่งวัดเขาขบอส่งข้ อ, อยเอาเงันเลขไปส่งวัดเขาลดนนักลงไปนะลไปเกาหวัวย่างยอกันจ้าเนี่ยลูกหลานล้งปูอยู่ทั้งอุดอรบนให้ไปซดจังปองอยู่หลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดว่าอกไกลแล้วว่าลูกหลานตัวนี้เพื่อนยังว่เกียบหลกนึงก่งที่ดินเจ็ดพีบราเนยเรียบพูดเนี่ย <c oughs> ยุกก่ยไก่เมือง อยู่ไกล่เมืองมันมันแพงเนี่ยตะกียบว่าแพางแล้วเขาเห็ดทอนทางไปไอ้เนี่ยมันเห็แพงขื่นจี้มาเนี่ ย, นนยว่าเรื่องเห็ดปียตกจ้องปองเนาะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเห็ดทอนทางไปขามไปล่าเนี่ยที่เดีมันจะขึ้นอีกโงดเนึ่องผลที่อันเนี่ยได้เกี่ยมันกับจำนวนแสนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันขื่นจำนวนล้านเนี่ยลุดเมื่อไปบางทุปีหัน่นนั่นนั่นเ <c oughs> พราะอย่ง เงค้คนตายมากกับไปขี่ไปคู่ของเขาแึงนี้เออกครักก็รักปุ๊บขี่คู่ขี่คู่กักเขาแล้วก็ไปย่งกระโกของเขาเนี่เขาย่างกระชกอ่ย่างกระกหจวอร์เรนไผี่ยแล้วก็ยางเรียนเลขกัเรียนเนี่ยแอันเซเนลเลขกัเรียนไพ่ก็เรียนโบกับเรียนแนวมันกับทั้งยังปานี้จอน้ำสามชีฟองเอ ร่องไปตักหัวข้อคุณมามันกรรม่บบ า, านนวมันก็นไไรฉีมนตัวเอ้ที่ชบจับฟองเงินตัว <laughs> เจ้ายญิท่านไว้เต็มตัวอย่าเข็งว่าเต็มตีน <laughs> <laughs> อ๋อเนี่ยบา้าเสียพ่อจะห้าเป็นข้าราชารเนาะห้าวบา้านห้าวบได้เสียพ่อสี่บาทหาบาทอย่างนี้ เขาไปเรีนไถ่น okay. well, so ันเขากูว่า้จักมันกินสำหรับที่แรกนวเชียวว่าสันมึงกูจะร้องไห้มึงว่าสันบักพึ่งอ่ะลงไห้ว่าสันโอยกูว่จักมันกินนี่เชียวอ่าม่ใจกลินมันไหนวะกูไปเรียนดอกวามึงนะกูจรงไห้มึงว่าสันมันรงไห้มันรองไห้ก็ได้ได้มาสองบาทเงินสองบาทมันแพงเแต่เกีย ราชการที่หกกับมันแพงขึ้ตายเนี่ยราชการที่เจ็ดกัแพร่งคืงอนกาเนี่ยไปนั่งเรีย น, นี้ต้องเขาอ่านหอยมื่อเช้าอ่ะนี่หัวจัดที่กินเนี่เสียงเงินไปสองบาทฉันเคดตายบัเหรียนทึ๊กเดียวบัรเรียเลขเอบอบับรเหรียญอัไนไพ่อ่ะนี่นยุ่มา่าย่มาไปซื้อเลข่าี่ ไปชื่อเลขอยู่ถนนโทษสีอุดรเน่ยของกุ้งวังอุดรค น, นเนี้ยบ่ตถือจักตัวเรียกรัฐบาลเพิ่นเอาข้ามบาลีไปผูกสเสาเนียเพิ่นเอฮิราภาต้นครัวเพิน่นเอฮิราภา ขอลาบจงเกิดไม่แก่เรานัตวเดียวคนถ้ามาซ่ารถซื้อจักโสท่านนั่นแล้ก็ตัซื้อจักเปียลุยพ่อไอแม่กูเลี้ยงกูมาเอาเสียมายุ่งตัวสาวหน้าวะสัตวปูย่าวะสัตวสฉมาดียังจะกูเสียวะสัตวเพิ่งมาคิดฝ่ายกูฟังยังไหนได้บ่เห็นจักเปียล่ะเขาเข้ามาด้คิดฝหายนบวกนเบียรด้วยนอนวัดนอนเบื่อเลยเขาเม็ดอ่อนซ่อนเขา ทงมพระเสยสะเสียฟงมเล็กเลยบ่ฟังคมเล็กบ่เสียระทังคมพระเสียสะเสียไสังคมฝันเสียฟันเสียมือฟังคมมนเอืงกัิบหายคือกรนแน่นะทำเรีกเฮพัดกับเบอร์ผู้เล่นคนผู้เล่คนตดออกกั็ยังถูกเอาู่เลกอ่ะ เฮ้ยแต่จะงอแต่ว่ากรรมโมนาว่าจะตีโลกโอท่นโลกเป็นไปตามกรรมเามาฟังรูปู่มหาบุญม่หายตัวเร็วลูกปู่ลูกปู่สิ่าแต่เขก็บอกเขาให้ยังคุณฝันนะสิ่คุณนอดว่าฝันมันมี่บอกนะมาถามคุณฝันกับว่ากับว่าฝันหนึ่งตัวสิ่น บว่าม่ก็ไปาก็ตีเน่ผู้บอกเขาเหรอั่งตัวฝันดีดีส่งฝันจะจะไม่กวาดีสั่งเพ่าะฉะนั้นเขาไปซื้อเหรียญอันนี้เราคขหน้อยนะซื้อก็ย่าหัวเขาเราบอกท่านจะไปหามเขาได้บอเงินเยอะในกระเป๋าเขาหมุนขนาดเขาซื้อเขามาบอกท่านเหรอมันคนจะได้ฆ่าบ้านเราขาซื้อเขามาบอกท่านเหรอเงินนี้ของเขาหมุนนะสั่งเขาว่าจะเอาออกให้เขาเหรอั่กไปสั่ง ตัวนี้พ่อเพื่อนคนแปลว่าเขามาวัดมาว่าก็ดีตัวอะไรสั่นได้ตอบเขาฮะเนี่ยได้ตอบมามาวัดมาว่าในซาในฤาษีว่าความเงี้คู่บ่าอาจารย์มาพูดดีมาพูดชอบมันกับเงี้ยไหนฮะสั่นมาวัดมาว่าเพื่อจะผูกอเล็เอาผานได้หรอสั่นมันกับรูปเรียมปฏิปทาของโม่ห้องตัวว่าคือกับว่าเอาไปจัดี่ ่อถือก็ว่าเอาไปกันนี่ว่าสัตว์มันก็เสียตัวเสียๆย่างเขาบ่อยากแฝงพูดอะไรเหยียบก็หันใจขึน้นไงคนเขาบอกผมสัตว์เขาหามไปเราเขาจะไปหามอันแม่งฟูแม่งพึ่งอันไปหามแม่งวัานอืกูนะไปหากินสูงก็มึคนคนบินปือเดี๋ยวนี้กูก็มาแล้วอ่า มึงมาหากินตำแตแล้วกองขี่ของเงวฮะบอกว่ไปพอได้กินยอะแต่ม่านวันดู่บินสูงคือมึงนี่กรสมึงไปบินสูงเม่านมันกับ่ลลกันขื้กันอะไมวันกับกับแม่ผู้ักเกงมัตก่ามันถือยุมันกราประซาที่ปไตเมน่อวานอง่างไรมันก่าโลกเขานิยมมันก่าเนี่ยเมื่อวานแม่ผู้นักเกับมาโลกเขานิยมวันเหรอเมื่อวานเมา พยุนะรับไหนก็ว่าถึกอะดรรับนั่นหรือว่ายังไรสั่งว่ามันจริงมันกระสู่งคํมสอนพระพุทธเจ้าก็ไหนรักอันล้วงพระพุทธเจ้าหัวจักมนมบัดิจักวันสมบัดิจักมสมบัติทอแห้งหัจากนิพพานสมัดิทอแห้งยังสมพระนามว่าโลกกบิทู่เป็นผู้ดูแก่งโลกเล้ยงรอนสีเข็ท่าน่ะอะรหันตวงท่าน่ะมันอะรหันตาอะรหันตวง เพมฟันนี่เพิ่ตาเชิ่มีเพิ่มเสียเล่าเสียนั่นฉันว่าได้่แม่ค้าสังว่าค่อยจำแรงตื่นเส้าขี่แหงก็บอกนี่เพิ่งอ่านเดียวกันนะถ้าม้าสันสูงยังไม่อีกเห็นอันนี้จังคณะคิดหนึเห็นโลกรอบหนึ่งน่ะโลกเต็มเลยอันนี้จังเห็นทุกคณะคิดนึงอเห็นโลกรอบหนึ่งพร o โลกเต็มเลยของทุกชาติไม่ตัวขาเั็นพระพุทธเจ้า ผู้ได้ฟังกระถือผู้ได้บ่ฟังกระถือวัดชาติพิทุกคาชาติเป็นทุกเด้อว่าท่นพระพุทธเจ้าบอกความเดียวผู้ไบ่ฟังกระถือผู้ฟังกระถึกคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนหลังโกงก็หลังตรงนะฮะคนค้อมก็หลังตรงคนตาบอดก็อาจได้เห็นคนหูหนวกก็ อ, อาจได้ยินคนตาบอดอหูหนวกคนอยู่ในพะระมรรคปริยมหาวิสีนรกปนี้ เามาซาดเป็นทุกข์ก็ถถือมัดเนี่ยเรียกว่ายิ่งปืนวาดเดียวได้นกทั่วทั้งไตโลกราตาอโรดชาติพิทุขาบาดเดียวแท้ถูกมัดไตโลกระถาธชร า, าพิทุขานี่ยก็ถืถอเองนี้คนน้อยเป็นซานดวา่าเป็นทุกข์ได้เหรอถาเป็นทุกข์เกิดมา ก, ก่หายแห่หนท้นั่นหมนออกดากแม่มา่หแต่แกแต่แกแต่แก่แก่านทุกข์ว เท่ามาแล้วกับเซ้สายเซ้กัวสักไมค์คนเท่าเนี่ยลูกก็ะโวยนั่งก็อโอยเนี่นั่นความตายเป็นทุกข์บะเาะน้าขอน้อยว่าทุกข์น้าบ่าทุกข์วัติตายซักยั้งสันรีบรื่พี่ตายยังสันนั่นอเออสอเขไปเทวทุกโทงนัดอุปายาสาวเป็นทุกข์คาความโศกเป็นทุกข์นะเพราะน้าขอน้อยว่าโศกเคลียรไปเสียงเน่ ความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์เมื่อหน้าคนอื่นบอกเป็นทุกข์จะเถียงไปเถียงไรบ่ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาอยู่สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ลอยยอมก้นหังหุงอยู่ในรอบนี้เองเป็นทุกข์คือขันห่านะนะพระพุทธเจ้าบอกทางนี้ได้บา่บอกทางให้เบื่อให้นายได้บ่บเอา้า คนได้หาความสุขในโลกบ่เจอบ่เจอบ่พบบ่บ่เห็นกับพระนหารหาบ่เห็นมู้่องใช่มัแค่งดีกับพระทหารจะไปหาความสุขในโลกมันมันถิ่พอบ่มีได้ถุ่มเทความเบื่อไนท่า่หน่อยคอยกายท่านร้ายคอให้เบ็ดเรื่องน้มา้เกิดแก้เก็บตายในวันท้าท้องสารอีกแต่วมันยังขืนแมนเออเออที่ว่ากูเพผู้นึ่งฟ่อยสีผู้นึ่งยืนีิ้มันจะได้บ่หนึ่ง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 ท่าเพื่อสี่ให้รุษแห่ฝนเพื่อที่ให้ไข้เมาในวัฏสงสารนี่เนี่ยเออสีร่วมสีนร่วมสมาธิร่วมปัญญามาอยู่สันนีิอีกบ้างเนี่ยเบื้องต้นเน่ยร่วมสีนส ม, มาธิปัญญาอยู่สันาาขอสันอากาขอสอาาระอาคาสะพัาานมานีร่วมเคือเค่อนเกินขึ้นมาอีกระบาดเนี้่ยอทีหน้าดีกาเดินกับๆเข้ามาใดเทา่ทานั้นเท่านี้นะท่นแท้มันก็ร่วงไปซึ่งนานนี่นะเอ น่าร้ายขึนกันห้าบัญญัติว่านี่เป็นปัจเบัมันก็ร้ไปหเห็นอยู่เนี่ยนั่นนนนนนี้กล้จตายก็มึงเซวดิวานบอกนั่นใกล้จะตายก็บงังคับว่าแม่นบอกนั่นพืน่อนทีเช่าสอนได้สรรใจเด้พระหานหาควา่สุกในโลกไม่ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบไม่เห็นเลยเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซัก มห้าเว่ากูผู้นึ่อยสีผืนนึงอยู่นี่ไม่ใช่ได้ปะในเย็นใจโบราณเป็นวนเมื่อวานในบ้านเนี่ยผู้ใดเก้งผู้นันหนึ่งผู้นี่หนึ่งผู้นั่นหนึ่งผู้นี่หนึ่งผู้นั่นผู้นึงผู้นี้ผู้นึงรูจักบะมียนบะเมีนในสันเ่านึงบะเมีนบะเมียนคำบะเมนเป็นไผ่สันติพญ่ันก็กูผู้นึ่งอยสีผนึงอย่างเดียวะน้าอันนี้เ้าสิม่ากูผนหนึ่งไสีผืหนึ่งอยู่นี่ม่ใช่ได้ปะมือห้าวตกพาะห้าเพื่อผทุกในวตารถ้อยสารผลถ้าหน ย่าน้มาทองเที่ยวในวัดตาทองศาลอีกเลยมันมาเป็นเงินใหม่มันเป็นเงินเกา่าจะเค่อยมาแล้วอันพูดจะกอ่อพวก น, นี่มันมันพูดจะกอ่อไม่ได้อันมูอห้าอันเนี่ยมาถิมมาถิมห้างกระดูกอะไนี้น้ำขาดน้ำพดพอแห้งแล้วเออหน้าตามือห้าผ่านว่าในวัดตาทองศาลเนี่ยชั่วกลับหนึ่งเก็บไว้หน้าหน้ามันยังออ ก, กน้าตากลับนึงก็มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์บ่าที่พระองค์ว่า เข้าเ้าเนี่ยไม่หาพระองค์อ่าพัตตะกับโบไห้บไ้นํ า, านตาเสียไปได้ชี้มหาสมุทรผู้นึ่งผู้หนึ่งกระดูกแกบไว้พูดกะทองหัวแม่มือหรือโเสียไปเ่ียก็พวกเขาเห็นมะไรอะพวนั่นนั่นนั่มูฮั่นถือว่าเข้าใจว่ามันของมาอ่ของเตาของมูฮันะ่นอะที่เขาเคยพอมที่เอามาในวาระท้างศารเนี่ยหายใจเขาออกมุ่โถมันของเตา กระ้องม า, าตัวตอู้ตั ว, ต ว, ตวไม่คองไม่หรอกกรของเก่าที่เฮาเคยหายข่าใจเขาออกมาแล้วก้อนเนึกคิดกระมันของเก่าที่เฮาเคยนื้คิดมาั่วงไปล่งไปมันพยายามไม่ใช่เนื้อหลวแช่เ น, นื้ขอขาความสุขมันก็ะมันว่าไรอะไรกันึกไปนึกไปวันไปวัดมาวันไปวัดมาคําสอนของพระเจ้าอุปมาคือห้องบอกโมเฮาอยู่หิมาเด้อลุงไก่ร้านเด้อเห็นพ่อขามมาแล้วอุปมาคือวางกั น, นบัณฑ์เป็นบันไทกับกินบีพ่อขามมาแล้วุูญไว้คัดของ โอยูหิมะลูกได้ล่ะเน้ยผู้ใดบารมีแก่กล้ามาแล้วหิ ม, มาผู้ใดยังอ่อนอย่ก็จําเป็นละนผู้ใดเลียนถึงไปเยยลีงญาติแล้วหิ ม, มาทํางานก็พอพี่ทราบว่าสั้นสั้นสูงว่าสั้นผู้ยูสั่ตัต้มกระจเป็นละขอสลาการขอสลาขานเนี่ยแล้วผู้สูงได้สมควรอะิมะลูกได้ว่มมาสันพอรับคนเขางานรับคนเขา ง, งานพระนปาลเข้าใจบอกผว่าได้ไม่สูงแ ล, ล้ว มั่วมั่วเฮ็ไเที่ยวซี่เขาซ่องแมงดาเช่นนี้คือกเท่ามั่เฮาเป็นซ่องแมงดาเท่ากันเลยนะเออติดใน่้ำหลวงน้ำโขนน้หลงในมู่วเฮาก็กินในน้ำหลวงน้ำโข น, นน้ำหลงแน่นหรอเราเป็นกสุดเปลี่ยเลยที่ว่าอย่างไรหยดน้มาเป็ี่ยนหนึ่งใช่ไหอเพื่อได้จากพ้นทุกข์อ่ะไพี่แกหน้าร่วมให้ใจเขาออก เป็นได้สักว่าลูกเป็นได้สักว่าเห็นว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลร่มเป็นได้สักว่าร่มใจเป็นได้สักว่าใจผู้ลูกเป็นได้สักว่าผู้ลูกยืนเดินนั่งนอนรับตื่นบ่ามันพริพนผ่านนาที่ของสังขารกินอยู่นึกคิดยืนเดินนั่งนอนรับตื่นแม่นาที่ของใครนาที่ของสังขารจะก่อมทุกพระเนผพานไม่ได้มายืนเดินนั่งนอนรับตื่นนําใครเป็นผู้เสวยพระเนผ่านก็พระเนผ่านเท่านั้นเป็นผู้เสวยพระเนผานใครเป็นผู้เสวยสังขาร ก็สังขารเท่านั้นเป็นผู้สวยสังขารพระนิพนาพาน้นเป็นหน้าที่จะมาวกเวียนมาเสวยสังขารร่วมให้ใจเขาครั้งหนึ่งเห็นทง้งไตที่ขาเกิดขึ้นแล้วแปลปวนและแตกสลายเมื่อเข้าเห็นตามเป็นจริงเห็นอันนี้จังทุกครั้งหนัาตาพอ่อเการ่วมให้ใจเขาออกอันนั้นคือสิลงอำาที่ปัญญาร่วมกัน เขาเห็นขั้นบำมันวิทยงพร้อมเขาล้มหายใจาเขาออกอันนั่นก็คือเขาเห็นศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันเขาสิวะตามาจริงเขาเทวะปฏิบัติตามาจริงเขาสีบว่าได้หลงทำไมนั่นไผสิเป็นหนเอกทอพระพุทธเจ้าไม่มีดอกสุวรรณก็มีแต่อาหารตวงมันแหละอาหารอีนนี้เป็นพระพุทธเจ้ามัพระอาหารทั้งหลายนอกก็นั่นจะเอามาเอ่ยเลยเออ อรหันผลอันหันแท้ต้งคิดหายผลบอมันหันแท้ตั้งจะเิศอรหันเสมอเนี่ยหันแท้ั้งคิดหายเด้อรหันตะกีมันหันแทมาควนในพ่านผลอรหันเสมอนี่ยอกหาง่ายห่าง้อมเลนบกเลนเบี้ยยัตรหยนเบอรนตัวเอออรหันเสืลงมอระหกมอระหกกจุดต้ก้นมอว์ผลโยมยีบหัวอย่ผ เห็นกงจักว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวเป็นไปถดผูกเอลขมันก็ชิมหายเป็ น, อนเอกอันนั้นฉนันโลกฉนันสงสารนู่นดิแพ้ที่พี่คิ้วกันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคิ้วกางโม่ท้านนั้นจะไปเหรอชิมหายไปบอดพระพุทธเจ้าไปข้างนี้เป่นวะจะ ม, มาแข่งดีกับพระพุทธเจ้าว้ามันบาเป็นเนออืเอ แข้งดีก็พญามารเหมือนกิเลสเหมืนกิเลสไปยู่ในใจเข้านี่ยแข้งดีก็มันกวนหลงมันยู่ในใจเข้าเนี拜拜่ยตงแข้งดีก็มั่นมันกระส้วนเห็นจ้ะไปเรีนเลขถ้าเฮ้ามันกระว่าเั็นตัวพญามารมันก็สวนตัวมันติดส้วนไปทั้งดีอยู่อ่ะมั่นมันยิ่งะโนุพายพันพองเป็นดอกไม้การกองบัวบานมั่นว่าเสดเบือนผู้ที่เจ้าเบียนเดื่อไรได้หัวใจคนมันดลายนี้มัดนี้มัดล่ะ มามันเป็นตัวอะไรมันเป็นเขาเป็นง่าได้แล้วมันก็ยู้ในหัวใจเนห้เนี่ยในห้องที่ำดีมันก็นส่วนไปสร้างนตะัวซะวะนะวะแล้วไปวัดเทอสารเมึ่ไปวัดเมื่อในกินที่แตกอยังเผื่วะแ้ <c oughs> <c oughs> ไปใช้บาทไล้วใชปากมืงหันยังดีกว่าคิดเดี๋ยมันบอก่อะ มันสวนทางกันตัวมันนั่งเฝ้าอยู่นี่ยุหัวใจนี่กิเลสมันไปยุบนอื่นเนี่มันส้วนไปเรียนเลขเรียนผ้าเรียนบัสเรียนเบอร์ส่วตัวส้วนไปแต่ทางสวนตัวกิเลสส่วนขวบหัวขวามางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นั่งยู่กิจใจเฮานี่มันปากบอนห้อนห่อส่วนขวมหัวขวามังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นั่งยุกิดวใจเฮานี่เอ้อ เขาทีฟังคว่ำกูด้วยที่ฟั่งคว่ำพยามนก่านานกันั่งย่งหัวใจเานี่ช่างควพยามารไปเฮ็ดชวตอนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทำประสง์นั่งย่เหัวใจมันก็บาปหลายเห็นตัวแล้วคนเาระสงค์ย่หัวใจบอยู่บทอื่นเนีนิมนต์เพิ่นไหวนี่เนาะตาเขาชูเพื่นขวานเร่อง้่อใ่กดีเขามอบกายถวายเจตอพระุาทระสงค์ทุกเมืองประมาณตามแถเขาชูเพ่นานเรื่องให่เพ้อใ่กดี ขอยพ ร, ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเงียบรถหยียบย่ำชนไม่ค่าในหมู่แในสนกลทกษิว่าใส่ใจทุกคนทุกแห่งนั่งขี่เยู่นีมัดมือมัดขึ้นกับบ่างอยเขาใจขี่เยู่นีเอาไปนั่นด้วมันเกิดศสูงเท่าไรศีลปัญญาเทาไรเท่าไห้กิเลสเอาปัญญาไปกินมัดมันกับอะไรย้อ น, นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีปัญญาเนี่ เพื่นบ่สอนอนงเพ่นสอนอเนอย่พืนเอาหัวใจเห้ห้อน้อมเพื่นธรรมยูนี่รอบกายถวายชีวิตยูสุกเมื่อวิมีประมังนพีกับบกกายไพ่กับบกไก่พรีไทกับหาบมหาอะมีตะความสุกุมเจริญุกเมื่อนงตัวอืวถึง่ายยังกระก็เพราะพทิศเจ้ามีอยู่มีอยู่ในใจห้าวพรีบวมีแกพูว่าถือบาปบมีแกพูดว่า้ำบ่มีบมีแกพูดย่อมเป็นสูตรถ้าออมาพู่ามผสมมาไหวหัวใจ เราจะเอาผีมาไว้นีถ้าเราจะเอาเด็กบ่อผ้ามาไวไ้ห้อใจเอาทํามะหาเดยกชีวิตหรือทางที่ชอบมาไว้ห้อใจนั่งไปคันเนี่ยไปชุกไปชุกคันเนี่ยผูโทษทั้งโม่งโังก้นเนี่ยผ้าหน้าแล้วปูอ่างเงางามมานีเจริญนะเมื่อยะ่ะไปะชุกไปชุกคันเนี่ยขูตัวมึงมึงตัวขู่กันตัวทั่วเรียนเลดขี่กระไม้ตัวที่ขีกยย่กระโมยกันตัว อันตัวอันซื้อมากมื้งอ่ะมิเตตตัวดีตัวเด่นมันลนเด่นทั้งคี่ผ้ายมันบอกมึงไปกินน้ากูอ่ะสันตัวอ่ะโว้ยมิเตตขี่นะมิได้กินไว้เต็มตัวใหญ่ถึงงวดเต็มสีนพระยาพระยานุ่งสินเฮียนเหียนก้นข้าปลากอยนะไฮไปเลียนเลขให้มันดูดูนุ่งสินเหียนเหียนก้นข้าปลากอยประมา แกมันดูด้วยหรอบอกย่อยานเ่ะออยังเช่ทําดีแต่ทําดีไปนึงกันยังแตกถลายอยู่คือคนเฮ้านะอย่างจะเข้าล่งพยาบาลแต่เข้าไหวไปนึงกันยังตายอยู่ที่ว่ายังไงการตัวเข่ายังจะตายง่ายหรอบอกอันเดียวกันอย่างเช่นกินเข่ามันหิวได้กินไปนึงกัยังหิวอยู่ทีว่าบันเท่าค้ามือเสือไดบันเท้าห้มันโย่ไปเปลีนมือมือเสอว่ามันเขียวาหมันหิวจากเครีอกับอไร เนี่ยแ่นั้นผู้สามปรมีแก่กามาเนี่ยจริงเข่าสู้คนย่านาดไปว่าเอาว่าเอาว่าเอาที่มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวกินเที่ยวขี่ก็ดีใครจะเป็นขี่คาดควบหลงเจ้าของทันตัวไปทันตัวผู้สามปรมีแก่กามาเนี่ยพวกท่านแก่กายูยไปเสียแล้วนกนูปูปีกมันมันเฉยมาเป็นมนุษย์มึดแต่บวาลเราไม่ยังอ่อนอยู่มันเกิดยึดตามกรรมของมัน โอภาหน้าน้ามโยงเหิดมันมันจะไปสู้คนในพานวัดมันทางวัดมีคิ้วันถึงพระสารีบานแล้วมีคิ้วละนั่นจะไปตีมันกับอะไรแต่วกรรมของมันมันกับว่าอยากเป็นสัตย์ที่รักษาแต่ว่ากรรมของมันพาเป็นมันเป็นอยู่ไป่มาเมื่อไหร่ก็ยันมันมันจะเป็นแต่ว่าคนของกรรมให้าให้มันเป็นแล้วล่ะอเวอรมันหน้า ก็เป็นหม้ยึดต่างหาล้อยซาตเป็นน่าอว่นว่าหน้ากับหน้ากันหากันเดียวกันเาดเป็นเทวดาสันดอนก็เป็นหนางกันหายูมาซาดเป็นชาดก็กรกอนกรผลเป็นไม้ยึดแน่หาล้อยซาดเป็นไปดานั่งพิษุนี่พระพุทธเจ้าองคตกรอีหมาเอาใจตายไปได้ไปเป็นหมาเยาหาล้อยซาดไปด้านัางพิษุนี่ของพระพุทธเจ้าองคตกร อ, อี วานาว่าเอแม่กะรีว่าสันเล้วก็ะจายไปไปเป็นแมกกะลียุหาล้อยชาติเนี่ยเราก็ได้ยมาเป็นนั่อุบวนวันหน้ายุหาล้อยชาติคือกันหันคำว่าอุบวนแปลว่าดอกบัวเนี่ยนางได้เอาดอกบัวไปบูชาพระพเจกเนี่ยภาชนะว่าเกิดพบได้ศาตร์ได้คอยผู้ขามีนั้งสีคือดอกบัวเดนอะสีว่าสันสีกายของนั่งคือดอกบัวเรียกว่าอุ่นวันหน้าวันหน้าก็แปลว่าว่านะเนี่ยนั่ง เดียเคยเป็นแม่พระพุทธทัพปัจเจ ก, กอีกหาร้อยสตอาดคนนั่งไมได้นั่นเอาไปเอามากกว่าคนขับชัวร์คน น, นิพพานเช่นั้นั่นไพ่ไพ่ก็ซื้อกันคนชัวก็ม่จากคนดีคนดีก็ไม่จากคนชัวร์อะไรพระนั่งหันก็นมาจากพุทธส้นพระพุทธเจ้าก็ไม่จากพุทธเรื่องนหนาอื่น เพียนในช่างพุทธศาสนาก็มีอยู่สองเพียนและเชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระเจ้าทั้งหลายย่อคนเพี้รนองมาเป็นสองย่างพิจารณาทั้งรัฐประทานเพียนระวังมาให้เกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นในศาสนาทหารรัฐประทานเพียนระบาดที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียนเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษณาประธานเพียนศักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมาให้เสื่อมความเพียนที่อย่างนี่เป็นความเพี้ยนชอบกาประกอบไปมีในตนย่อลงมา เพื่อนละ่วทำดีจยาเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจยเป็นผู้สมใจในทางทำดีอย่าเป็นผู้สนใจในทางทำชั่วเลยจยาเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยพระพุทธเจ้าบอกเข้าใจง่ายๆรอกย่าเขาเป็นเร้าสันก็เป็นเนาะพุทธเจ้าเขาสอนเขาเห็นทั้งนั่น อันนี้เพื่นวาท่านสอนว่ามี่มิเตี่ยมกลางเพื่อนท่านหมือเฮามิเตี่มกลางเพื่อนขเลี่ยมว่าถือจำไอ้เกงพพระเจ้ามันจะมีอันนี้เพื่นกะบอกวัดเน้วอันนี้เพื่มว่าท่านใหนสอนมี่มับมีเนี้โลกกับวิูุสอนโลกถ้ามนุษย์สมัติสวรรค์สมัติพรมสมัติเนื้อผ้าสมัติพระเพื่อเจ้า เป็นสันทิภาพตัวคําสอนพุฏิเจ้าสันทิภาพตัวไม่มีเว้นใม่ไผ่รถจำเนงเว้นไผ่ตัวเชาวโลกปีนคําสอนกุฏิเจ้าที่ตั้งกฎหมายกฏโมฝึกปือคิตใจเมื่อรถจำเนงขี่เหตุเหตุนั่นจึงน้องนําตาอยู่ในโลกเวน้นเสนเว้นไผ่เสนอไผ่แต่ผู้สาวบารมีแก่กามาแล้วก็รุดไปลุดไปลุดไปเขาสู้พ้อนนี้พานไปเขาสู้ก้อนนีพนพน้พานไปพวกที่ย่างเหลื อ, อยกับ จกตากันย่อ่เรื่อยไปนั้นก็ออกออกออกพวกออกออกท้างทวารมาไปหน่อยพวกว่นเวียนจกตา ก, นกันเกิจกตาศืบโรกด้วยมือปว ก, กก็สืบมือปวกไปทูปไปครับไปแถวของไปของมันเชินพระเสดาบัลไปแล้วกับโลกุตละเนะี่เป็นแถวของเพื่อนมจากคนจากกิเลสเป็นเอกเทศไปไปพอ้นจกักรทาข้ามเมียน่าข้ามเมียน่านไปพวกจำคนนั้นมากกับว่นเวียนยี่่่่ ตามก็เนี่ก น, นโมเโโด็นโมผานโมวัดนโมเบรแล้วเว้ยกระบุญไว้ไสผงกันอยู่นี่ามีงินแก้ด้วยไม้คํามหน่งน่นกระบุงบพเขนเงินด้วยนั่นกรณเป็นโลกขี่เนถ้ามันก็มีสองแนวเนี่ยโรกียร์โลกุตลรทธาตุโรกียธาตุโลุตลาธาตุขันโลกียขันโลกุตราขันโุตราขันก็แบ่งออกเป็นสีคือโสดาสกทาคานาคาลา ตำแหน่งนั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้ชั้นที่เกโกเห็นเองถ้าเสดระบันเห็นเองถ้ากฐาคามีเห็นเองอนาคามีเห็นเองถ้าหันเห็นเองก็เห็นละเอียดไปกว่ากันชั้นมาถึงพระพุทธเจ้าเห็นเองก็ละเอียดไปกว่ากันเองถ้าประเจกเห็นเองก็ละเอียดกว่าสาวกผู้เห็นเองเป็นชั้นที่เกศโกชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเองชั้นที่สองคือพระเจกชั้นที่สามจักทา นาคามีชั้นชั้นที่สองพระเจจชั้นที่สองพระ้งายชีวนาศช่างเพศหญิงและเพศชายชั้นที่สี่พระนาคามียช่างเพศหญิงและเพศชายชั้นที่ห้าสัคาคามียช่างเพศหญิงและเพศชายชั้นที่หกพระโสดาบันท่างเพศหญิงและเพศชายชั้นที่เจ็ดคือโลกีช่างเพศหญิงและเพศชายความเห็นไม่อยู่ในระดับเดียวกันพระยังไงจึงเป็นอย่างนั้น พระกรรมผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลงายชาติมาแล้มาไม่เหมือนกันดอกบัวคือเราก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยทั้งทุจริตดอกบานก็บานเต็มทูนดอกตูงก็ตูงเต็มทูดอกจ้น้ำก็จะน้ําเต็มทูดอกใต้น้ําก็ใต้น้าเต็มทูมันมีอยู่ทุรลูกทุกส ม, มัยทุกยุคยังไงใช่ไหมเสมอเหมือนกันกนเสมอไหนใช่ อ๋อเขี่ยไปใช่อีกนึเม่อหึ่งจะไปเห็ุหายการหลายงา่ามเห็ุใดกบได้เป็นเศษรษฐีเราวเมื่อเป็นเศรษฐีกบฏดีก็ไปขอไปรับเพิ่มา ก, กื่อนหนึ่งเนาะเมึ่งปฏิบัติเข่าฉินถ้าปฏิบัติได้กบฏได้เป็นพระอรหัรต์เราขอให้เมื่อได้เป็นพระอรหานก็พระอาณาค่ามิเอะบูอาพระจักรท่าค่ามิเอะบูอัลวะรพระโสดาบันบเอบัลวะ ตายแล้วไปเกิดสวรรค์บอเอาบอกหรือที่เอ า, เามรนเ น, นี่มันมมออกำกมือกันม่เดียเร่ียังไ <laughs> ม่ด้เเป็นเศรษฐีแล้วเาว่าเป็นเศรษฐีก็ม่ดีก็ไปขอพันธิยินไมื่อดีก็ไ ป, ไ ป, ปไรักคนเอ้ยปฏิบัติจริงทำไปปฏิบัติไห้ก็ไม่ได้พนันหันดอาบอก การมาผู้ไหนอยากเช like like ิญพระธรรมจะเป็นพระธรรมะกคนเราบ่าดอกบัานกับบานเ็มพุ่มดอกูมกระตูมเ็มพุ่มเนี่ยมียุทุกทุกหเนี่ยดอกว่วที่เรามีแต่ข้างพุทธกาลข้างนี้ก็มีดอกบานกับบานเต็มพุ่มทุกคนทุกคนทุกคนกันไปแล้วเนี่ยพูถึงพระหน้าค้ามี่พระกฐาข้ามี่พระชดอรหันอรหันพระหันชดจ้าพระท่าหน้าข้าพระกฐานี่ยมันก็มีทุกสันทุกขุ่มของไฟคำว่าเอาอะไรนอกบานนี้เนาะ